ทรงวางลำดับแห่งอริยสัจอย่างตายตัวแน่ภิกษุถูกแล้วถูกแล้วแน่ภิกษุเธอจําอริยสัจสี่ประการอันเราแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องคือเราแสดงอริยสัจคือทุกข์ไว้เป็นข้อหนึ่งแสดงอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ไว้เป็นข้อสองแสดงอริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์ไว้เป็นข้อสและแสดงอริยสัจ คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ไว้เป็นข้อสี่แน่ภิกษุเธอจงทรงจำอริยสัจสี่ไว้โดยประการที่เราแสดงนั้นนันเถิดภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิดการวางลำดับใหม่ไม่มีเหตุผลเลยแน่ภิกษุการที่ผู้ใดจะเป็นสมณะหรือพรามก็ตามจะพึงกล่าวว่าอาริยสัจที่พระสมณะผดมแสดงทุกข์ไว้เป็นข้อหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์ไว้เป็นข้อสองความดับไม่เหลือของทุกข์ไว้เป็นข้อที่สาม และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ไว้เป็นข้อที่สี่นั้นเป็นไปไม่ได้ผมอ่านถึงตรงนี้ผมมันโดนตบหน้าเลยเหมือนโดนผู้เจ้าเขกหัวเลยเราคัดค้านเราบัญญัติเป็นอย่างอื่นดังนี้จะเป็นคำที่มีเหตุผลเป็นหลักฐานไม่ได้เลยแน่ภิกษุเธอจงทรงจำอริยสัจสี่